เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาที่สิบสิงหาคมพุทธศักราชสอง6หเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากความกติตกาังานต่างๆจึงได้มาวัดเพื่อมาทาประโยชน์ ให้กับตอนเองส่วนใหญ่พวกเราไักจากทำประโยชน์ให้แก่ผู้ส่วนตัวเรานี้เราไม่ค่อยทำประโยชน์กันเพราะเราไม่รู้ว่าตัวเรานี้คืออะไรนั่นเองเราเป็นคิดว่าผู้เป็นตัวเราของเราเราจะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้น่ แล้วก็เลยมาทำประโยชน์ให้กับตัวเราตัวเราคือจิตใจผู้อื่นก็คือร่างกายตีเลนตัญหาความโลภความโกรธความหลงมีเป็นผู้อื่นเรามักจะทำให้ร่างกายทำให้ความโลภทำให้ความอยากทำให้ความโกรธทาให้ความหลง แต่เราไม่ทำให้กับจิตใจไม่ทำให้กับตัวเราเราจึงไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีความสุดไม่มีความเจริญส่วนสิ่งที่เราทำให้ที่มีความเจริญอยู่เรื่อยๆก็คือกิเลส ต, ตัณหาความโลภความยาต่างๆกิเลสตัณหามีความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเปลี่ยไนไป ความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นไปต่างนั้นความทุกข์ใจความทุกข์ใจของเราเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความอยากต่างๆเกิดจากความหลงที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเราดูแลจิตใจของเราเราหลงไปให้ความสําคัญ กับร่างกายกับความโลภ ก, กับความอยากของเราเราจึงไม่มีความสุขใจมีแต่ความทุกข์ใจมีมาตั้งแต่วันเกิดและจะมีต่อไปจนถึงวันตายตายแล้วความทุกข์ใจก็ไม่หมดไปจากใจก็จะติดไปกับใจต่อไปกลับมาเกิดใหม่ ก็กลับมาสร้างความทุกข์ให้กับใจใหม่เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วถ้าไม่ได้มาพบกับพบ่อพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระพทธเจ้าพระธรรมคำสอนไม่ได้พบกับพระอริยสงสาวกก็จะไม่มีใครบอกเราว่าตัวเรานี้คือใครและวิธีที่จะทำให้เรา มีความสุขและมีความเจริญนั้นทำอย่างไรพวกเราชาตินี้ถือว่ามีบุญมีวาสนามีโชคันมหาศาลที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอริยสงสารุปถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าแต่ การได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ถือว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็ถือว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้ว เมื่อเราได้พบแล้วสิ่งที่เราควรที่จะทำต่อไปก็คือควรจะตักตัวประโยชน์สุงที่เราจะได้รับจากการได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธีที่เราจะตักตัวประโยชน์สูขจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเราต้องหมั่นศึกษา พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำอะไรเพื่อให้เกิดความสุขให้เกิดประโยชน์กับตัวเราพอเรารู้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นมา ผลที่เราจะได้นับก็คือความสุขความเจริญความดับของความทุกข์ทั้งหลายความหมดสิ้นไปของความเสื่อมเสียทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจเพราะว่าถ้าเราไม่หมั่นศึกษาเราจะไม่รู้จักวิธี ที่จะสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับตัวเราแล้วเราก็จะทําประโยชน์ทําความสุขให้แก่ผู้เช่นทําประโยชน์ให้กับร่างกายทําประโยชน์ให้กับความโลภความอยากต่างๆทุกวันนี้เราทําส่วนใหญ่เราก็ทําใหส้สองส่วนนี้ทําให้กับร่างกายก็คือเราทํามาหากิน หาเงินหาทองมาส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเอามาเลี้ยงดูร่างกายเราต้องเอามาซื้ออาหารซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งห่มซื้อที่อยู่อาศัยนี่คือการดูแลคนอื่นคือร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราและก็เป็นส่วนที่จะต้องเสื่อมหมดไปในที่สุด ไม่ว่าเราจะเลี้ยงดูร่างกายนี้ให้ดีขนาดไหนก็ตามไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็จะต้องตายไปเลี้ยงมาแทบเป็นแทบตายก็ไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ไม่สามารถที่จะรักษาให้อยู่กับเราไปตลอดได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าไปหลงกับการ เลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเลี้ยงดูพอให้มันอยู่ได้ก็พอเพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายมาทำประโยชน์ให้แก่จิตใจมาทำประโยชน์ให้กับตัวเรา mm hmm. ก็คืออยู่แบบแตามมีตามเกิด mm hmm. ขอให้มีอาหารกินไปไม่ตายก็ใช้ได้แล้ว ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอาหารวิเศษวิโสมีราคาแพงแพงมีรสชาติที่อร่อยร่อกินอาหารเพื่อรักษาให้ร่างกายไม่ตายเท่านั้นเองกินยาก็เช่นเดียวกันกินยาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปที่อย่อาศสยก็มีไว้พอหลบแดดหลบฝน ไม่ต้องเป็นปราสาทราชวังไม่ต้องเป็นเครื่ออาหาอันใหญ่โตมีราคาหลายหลายสิบล้านมีที่หลบแดดหลบฝนปลอดภัยจากภัยต่างๆก็ใช้ได้แล้วแล้วก็มีเครื่องนุ่งหม่มเอาไว้ปกปิดเอาไ ว, ยว้ยบะไว้ป้องกัน ร, รักษาไม่ให้ร่างกายถูกอากาศ หนาวเย็นหรือถูกมาลางสั์กัดต่อยมาทำลายทำลายเท่านี้ก็พอแล้วอย่าไปเสียเวลาให้มากกับการหาปัจจัยสี่ที่วิจิตรพิสดารที่หรูหราที่มีราคาแพงๆเพราะประโยชน์ที่จะได้รับก็ไม่ต่างกันการจการหาปัจจัยสี่แบบตามมีตามเกิด คือพอให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขได้ก็พอไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เดือดร้อนไม่อกอยากขาดแคลนเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาทำประโยชน์ให้แก่ตัวเราอย่างแท้จริงประโยชน์ของตัวเราคืออะไรก็คือความสุขใจความเจริญก้าวหน้าของจิตใจ สิ่งที่จะทำให้จิตใจเรามีความสุขมีความเจริญนั้นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ทรงสอนไว้อยู่สาข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งให้ทำบุญข้อที่สองให้ละบาปข้อที่สาให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธ สิ่งที่ทำให้ใจไม่สะ า, าบบ่อยสุดคืออะไรก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจของการไปทำให้ใจต้องเสื่อมเสียต้องทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดจาก กิเลตัณหาความโลภความอยากความโกรธความหลงนี่แต่พวกเรามักจะทำตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแทนที่จะให้กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเรากลับไปทำตามความโลภตามความโกรธตามความหลงทำตามความอยากต่างๆยิ่งทำมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้างความทุกข์ใจสร้างความเสื่อมเสียให้กับใจเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นนี่เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราจะทำให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นไป มีความทุกข์น้อยลงไปจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจมีแต่ความสุขเต็มเปลี่ยนอยู่ภายในใจตลอดเวลาไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นถ้าเราปฏิบัติทำสามข้อนี้คือทำบุญละบาปและํำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การทำบุญทำอย่างไรถึงเรียกว่าการเป็นการทำบุญ การทำบุญก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่เกิดประโยชน์เกิดความสุขให้กับผู้อื่นก็ดีให้กับตัวเราก็ดีหรือให้ทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราก็ดีเป็นการกระทำ ท, ที่ไม่มีโทษไม่มีความเสียตามมาเช่นวันนี้ญาติโยมมาทำบุญ นำกับข้าวกับปลาอาหารข้าวของเงินทองต่างๆมาถวายวัดถวายพระภิกษุสามเณรทำให้วัดได้รับประโยชน์ทำให้สมามเณรพระภิกษุได้รับประโยชน์มีความสุขอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญการทำบุญก็ไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระกับพระภิกษุกับวัดวาอารามเพียงอย่างเดียว ทำกับใครก็ได้ทำให้เขามีความสุขให้เขาได้รับประโยชน์ให้เขาไม่รับโทษไม่ได้รับความเสื่อมเสียทำกับภาราวทาญาติโยมก็ได้ทำกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ทำกับเทพผู้ที่ร่วรับไปแล้วจิตตวิญญาที่ร่วงับไปแล้วก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญ ถ้าทำบุญแล้วก็จะทำให้ใจของเราได้บุญบุญคืออะไรบุญก็คือความสุขใจนี้เองความสุขใจนี้จะเกิดต่อเมื่อเราทําประโยชน์ทาความสุขให้แก่ผู้โดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาไม่ใช่ไปทาแล้วก็หวังสิ่งตอบแทนจากผู้ที่รับ ถ้าได้รับกลับมาก็ไม่จะไม่ได้บุญจะไม่ได้รับความสุขใจเพราะว่าเป็นเหนือนกับการซื้อขายนั่นเองเช่นเราไปซื้อของตามร้านเราให้เงินเขาไปเขาให้ของกลับมาเราก็จะไม่เกิดความสุขใจแต่อย่างใดแต่ถ้าเราให้โดยที่เราไม่ได้รับสิ่งตอบแทนกลับมา เราให้เพราะเราอยากจะให้เขามีความสุขอยากจะช่วยบรรดาความทุกข์ยากบราดาทำแล้วใจของเราก็จะมีความสุขใจมีบุญขึ้นมาอันนี้แหละคือการกระทําบุญนอกจากการให้ข้าวของเงินทองแล้วเรายังให้สิ่งอย่างอื่นแก่ผู้อื่นได้เช่นเวลาผู้อื่นทำให้เราโกรธ เราก็ต้องให้อภัยให้อภัยก็คือไม่อาฆาตพยาบาทไม่จองเวรจองกรรมไม่ทําร้ายผู้ไม่ทําร้ายผู้ที่เขาทําให้เราไม่สบายใจยกโทษให้กับเขาไปให้อภัยถ้าเรายกโทษได้ใจเราก็จะมีความสุขถ้าเรายกโทษไม่ได้ใจเราก็จะมีความทุกข์ มีความรุ่มร้อนภายในใจนี่คือวิธีทำบุญวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการให้ความชื่นชมยินดีต่อความสุขและความเจริญของผู้อื่นเวลาผู้อื่นเขามีความสุขเราก็ต้องแสดงความยินดีเช่นเวลาคนอื่นเขาแต่งงานเราก็เอาของขวัญไปให้กับเขา แสดงความยินดีว่าเขามีความสุขเราอย่าไปอิจฉาลิษยาเพราะการอิจฉาลิษยานี้จะทำให้ใจเราทุกข์จะทำให้ใจเรามีความคิดที่ไม่ดีจะทำให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะเกิดโทษต่างมากก็คือไปทำบาสนั่นเอง ถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะทำข้อที่สองได้ก็คือไม่ทำบาปได้ถ้าเรายังทำบุญไม่ได้เราจะรู้สึกว่าการไม่ทำบาปนี้จะยากเพราะคนที่ไม่ทำบุญนี้จะอยากทำแต่สิ่งที่ทำให้ตนเองได้มีความสุขเช่นอยากจะมีเงินมากๆ อยากจะมีตําหนงสูงๆอยากจะมีความสุขจากการได้เสพรูปเสียงกลิ่นลดโวดเถาพะต่างๆถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจก็จะไม่ชอบทำบุญเพราะอยากจะเอาเงินเงาทองนี้มาซื้อความสุขให้กับตนเองแทนที่จะซื้อข้าวของอย่างที่ยากเย็นนี้ทํากันซื้อข้าวของซื้ออาหารต่างๆ มาถวายให้กับพระมาถวายให้กับวัดก็จะซื้อข้าวของต่างๆมาให้กับตนเองเช่นซื้อของฟุง่มเฟือยต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องมีแต่เห็นแล้วอยากได้เห็นแล้วชอบก็อยากจะซื้อมาซื้อมาแล้วก็ใช้เดี๋ยวเดียวแล้วก็เบืแล้วก็อยากจะซื้อของใหม่หมาอีก็จะไม่มีเวลา ไม่มีเงินที่จะเอามาทำบุญพอไม่ได้ทำบุญใจก็จะไม่มีความเมตตาไม่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่มีการให้อาภายัยต่อผู้อื่น <ừ. S 1> <ừ. S 2> เวลาเกิดมีความโกรธขึ้นมาเวลามีความเสียใจขึ้นมา <ừ. S 2> ก็จะไปทำร้ายผู้ เพื่อที่จะทําให้ความโกรธนั้นหายไปพอไปทําร้ายผู้ก็เท่ากับการไปทําบาปทําบาปแล้วก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาแทงที่จะมีความสุขใจก็กลับมีความทุกข์แทนที่ใจจะเจริญใจก็จะเสือ่อมจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้าง เป็นสั์นรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ทำว่ามีน้ําหนักมากน้อยเพียงไรถ้ามีน้ําหนักมากก็จะมีโทษมากถ้ามีน้ําหนักน้อยก็จะมีโทษน้อยนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ทำบุญกันแต่ถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆ เ, เราแทนที่จะทำให้ใจของเราตกต่ำ ใจของเรากับจะสูงขึ้นจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพจากเทพก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอาหารหันต์กับพระพุทธเจา้าถ้าถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมารับผลของกัรของบาป ที่ได้ทำเอาไว้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเวราฉาไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่พวกเราเป็นอยู่กันทุกวันนี้ดังนั้นเราจึงต้องพยายามทาบุญกันให้มากว่าอย่าเสียดายอย่าหวงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอย่าเอาเงินทองนี้ไปใช้ ให้ประโยชน์กับกิเลสตัน tha คือความอยากต่างๆอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้เงินไปใช้แล้วก็ไม่ได้เกิดความสุขใจแต่อย่างใดกลับเกิดความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นเพราะจะเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นอง ก, ก็ต้องใช้เงินซื้อตามความอยาก ย, ยิ่งซื้อเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากขึ้นไปเท่านั้นวิธีที่เราจะ หยุดความอยากหรือลดความอยากลงไปนะั้นเราต้องไม่ทาตามความอยากเวลาเราอยากจะเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จาเป็น<ม>ก็ให้เอาเงินนี้ไปทำบุญแทนซื้อของที่จาเป็นแก่ผู้อื่นผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหนือยลเพราะถ้าเราทําได้แล้วเราก็จะทําให้ใจของเรามีความสุขมีความเมตตา มีความสงสารผู้อื่นจะไม่ชอบทำบาป ก, ก็จะรักษาหรือปฏิบัติทรมขั้นที่สองได้ก็คือจะไม่ทำบาตจะรักษาศีลได้ถ้ารักษาศีลได้ใจของเราก็จะสูงตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอาบายเพราะว่าไม่ได้ทำบาปผู้ที่จะไปเกิดในอาบายนั้นก็เพราะว่าทำบาปเอาไว้ เมื่อทําบาปแล้วก็ไม่สามารถที่จะลบล้างบาปได้ถึงเวลาก็ต้องไปใช้บาปนั้นถ้าไม่อยากที่จะไปใช้บาปใช้กรรมก็ต้องไม่ทําบาปเพียงอย่างเดียวส่วนบาปเก่าที่ทำเอาไว้แล้วก็ต้องใช้ไปเมื่อถึงเวลาแต่ถ้าเราทําบุญมากมากเราก็อาจจะไม่ต้องไปใช้บาป พราะเราจะไป้รับผลของบุญก่อนเพราะกําลังของบุญมีมากกว่ากําลังของบาปก็จะดึงให้เราไปรับผลของบุญอยู่เรื่อยๆจนเราไปถึงขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปพอเราไม่กลับมาเกิดเราก็ไม่ต้องกลับมาใช้บาปใช้กรรมที่หลงอุ่นแลอวยู่ต่อไปนี่คือการกระทําตามที่พระเจ้าสอนสอนให้กระทำสองข้อแรก เพื่อทำบุญละบาปเพื่อเราจะได้ไปเกิดในที่สูงไปเรื่อยๆขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจา้าไม่ต้องไปเกิดในอาบายแล้วถ้าเราต้องการที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาใช้บาปอยากถาวรเราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เราต้อง กำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการไม่ทําตามความโลภทําตามความอยากเวลาอยากจะทําอะไรก็ไม่ทำตามเช่นอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวแทนที่จะไปเที่ยวก็มาวัดแทนมาอยู่วัดมาฝึกทําใจให้สงบ ถ้าทำใจให้สงบแล้วความอยากเที่ยวก็จะหายไปพอความอยากเที่ยวหายไปแล้วความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมาวิธีที่จะทำให้ใจของเราสงบก็มีหลายวิธีด้วยกันการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นการทำใจให้สงบได้ในระดับหนึ่งการไหวพ้พระสวดมนต์ก็จะทำใจให้สงบได้เพิ่มมากขึ้นมา การนั่งสมาธิด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธก็จะทำให้ใจสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าใจสงบได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะมีความสุขมากจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรจะไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนจะเห็นว่าการมีอะไรการทำหลไรนี้เป็นโทษมากกว่าการคุ เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขนี่คือผลที่เราจะได้แล้วถ้าเราต่อสู้กับความอยากไม่ทำตามความอยากมาอยู่วัดกันหรือถ้ามาวัดไม่ได้ก็อยู่บ้านก็ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็ปฏิบัติทำไปในที่บ้านนั่งสมาธิไปเดินโจโกรมไปคอยควบคุมความอยาก คือควบคุมความคิดความอยากนี้เกิดจากความคิดเราอยากปล่อยให้ความคิดของเราคิดไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราคิดถึงเรื่องนั้นเราก็อยากจะได้สิ่งนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะได้สิ่งนี้คิดถึงอะไรก็จะอยากไปอยู่เรื่อยๆพอเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความหมุดหิดเกิดความกวนเกวายกระสับกระส่ายอยู่ไม่เป็นสุข แต่ถ้าเราสามารถควบคุมความอยากต่างๆได้ด้วยการควบคุมความคิดของเราเช่นสวดมนต์ไปภายในใจอยู่เรื่อยๆสวดอระหันสัมมาสวาาัสขาโตสุปฏิปันโนสวดไปอย่าให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าให้คิดถึงคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากก็จะไม่เกิด พอความอยากไม่เกิดแล้วเราก็จะมีความสบายเราไม่ต้องสวดไปทั้งวันไม่ต้องสวดไปตลอดชีวิตสวดไม่นานบางทีชั่วโมงสองชั่วโมงความอยากก็จะหยุดไปพอความหยุดแล้วพอความอยากหยุดเราก็ไม่ต้องสวดเราก็อยู่เฉยๆได้มีความสุขพอเกิดความอยากขึ้นมาใหม่เราก็ค่อยสวดใหม่ค่อยควบคุมความคิดใหม่ คิดถ้า้ำถ้าใจไม่คิดก็ไม่ต้องสวดถ้าใจคิดก็สวดไปหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปต่อสู้กับความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ความคิดคิดอย่างเสรีภาพถ้าจะคิดก็ให้คิดไปในทางที่ทำให้ไม่เกิดทางอยากก็ได้เช่นเวลาคิดอยากจะไปเที่ยวก็ให้คิดถึงโทษของการไปเที่ยวว่า จะต้องเสียเงินเสียทองต้องหาเงินหาทองมาแสนยากแสนลำบากพอได้เงินทองมาแล้วก็ไปเที่ยวเดียวเดียวเงินทองก็หมดไปทองหมดไปแล้วก็ต้องไปหาเงินหาทองใหม่ถ้าเราไม่ไปเที่ยวเราก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็จะมีเงินทองเก็บเอาไว้เพราะเรามีเงินทองมากพอเราก็ไม่ต้องทำงานก็ได้ เราอยู่เฉยๆเราก็มีเงินทองใช้เพราะเราไม่ใช้เงินมากนั่นเองเราใช้เท่าที่จําเป็นใช้กับการดูแลรักษาร่างกายเราเท่านั้นก็พอถ้าเราคิดอย่างนี้ต่อไปเราก็เลิกเที่ยวได้อยู่บ้านเฉยๆได้อยู่บ้านก็มีความสุขและมีความปลอดภัยกว่าการออกไปเที่ยวข้างนอกโดยเฉพาะเวลาไปเที่ยวตอนค่าคืน อันตรายที่เกิดขึ้นมีภัยต่างๆมากมายอยู่บ้านปลอดภัยกว่านี่คือเราต้องคิดแบบนี้คิดว่าเที่ยวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วก็อยากจะเที่ยวใหม่ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆไม่มีวันหมดการอยากเที่ยวนี้จะไม่มีวันหมดไปถ้าเราไม่ฝืนถ้าเราไม่หยุดถ้าเราทําตามความอยาก ความอยากนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราฝืนทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากจะน้อยลงไปแล้วก็จะหมดไปจะอยู่บ้านเฉยๆอย่างมีความสุขได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปดิ้นอนหาเงินถาทองมาด้วยวิธีการต่างๆถ้าอยากมากๆก็อาจจะต้องไปหาเงินด้วยวิธีทำบาปทากรรม แทนที่จะทำให้จิตใจของเราเจริญกับทำให้ใจของเราเสื่อมแทนที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขกับทำให้ใจของเรามีความทุกข์เพราะเราหยุดความอยากไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ใจของเราก็ไม่ต้องไปทำบาปใจของเราก็จะไปทำบุญได้อย่างสบายทำได้อย่างง่ายดาย ทำบุญได้ก็จะมีความสุขมีความเจริญนี่คือการใช้ความคิดไปในทางที่ถูกถ้าอยากจะคิดง่าคิดว่าการทำบุญการไม่ทำบาปการหยุดความอยากนี้เป็นการกระทําที่ประเสริฐเป็นกระทเป็นการกระทําที่พระพุทธเจ้าได้กระทํามาแล้วที่ทำให้พระพุทธเจ้าประเสริฐเลิศโลกก็เ พ, เพราะการกระทําทั้งสามข้อนี้นี่เอง พระอาหารหันตสาโลกทั้งหลายเป็นผู้กระเสริฐก็เพราะว่าได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทําพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราก็จะเป็นผู้กระเสริฐเริมโลกเป็นผู้มีความสุขอย่างล้นหลามอยู่ตลอดเวลาได้เช่นเดียวกันถ้าเราทาตามที่พระพุทธเจ้าได้สรนกับทาก็คือทำบุญละบาป และทำร่าใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงไม่ใช่วิธีที่พวกเรากำลังกระทำกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์สร้างความสุขให้กับพวกเราแต่เป็นการดับความสุขสร้างความทุกข์ให้กับพวกเรา เพราะว่าเราไม่ทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราทําตามความโลภความอยากต่างๆนี้ดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อประโยชน์สุดและความดัากทุกข์ที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนเจรและมุญกุศมที่ท่านได้มาบงเป็นกันในวันนี้จงเป็นเอตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแล้วค้าปลอดภัยจากทุกปัญอันตรายทั้งหลอยทั้งปวง โดยทั Lord, ่วหน้าการเธอ